วันนี้ก็เป็นวันวาระเป็นหรือว่าเป็นควันที่ห้าเป็นวันที่ห้า ท, ที่เรามาร่วมกันเป็นกันไปด้วยกันมาทำความดีมาฟังมธรรมะเป็นวันที่ห้าเป็นยังไงบ้างรู้สึกมันสบายๆผ่อนคลายบ้างไหม <c oughs> ยังมีกายยังเขรียดๆอยูหรือเปล่า <c oughs> เราเลยมีค่าความนะเราเลย น, นีค่าความอย่าไปคิดว่าเราจต้องไา้อย่างไั้นอย่นี้อย่าไปค่าควาความค่าความิีิี่มั่นมั่ในผลของการปฏิบัติมันทาให้เราต้องเคลียพวกเราเนก็ศุกษาอยู่ได้ถึงวันนี้ถึงได้ถึงวันที่ห้าแล้วก็ปรับตัวเอง เปลี่จากการที่อยู่บ้านในยรอ์เป็นสายมาอยู่ทีนี่ก็เป็นเช้าเราทำได้เพียงแค่นี้ถือว่าเราใช้ได้นะนะเน่เราสามารถบังคับตัวเองได้ถ้าอยู่ในตัวระเบียบที่ไหนถือว่าเราเอาชนะใจเราได้แนละ้วแสดงว่าเราทุกคนมีสติปัญญาเราเริ่มมีสติปัญญาแล้ว ถ้าเราไม่มีสติทีม่มีปัญญานี้แต่ความหลงเนี่ยไปทำในสิ่งนี้ไม่ได้ตืนเช้ามาเราก็รู้สึกต้องผอใจเราพอใจในบุญธรรมของเราพอใจใตากรรมของเราความพอใจน่ะทําให้ใจเราผ่อนคลายไม่มีใครช่วยเราได้ <c oughs> เรื่องของจิตใจไม่มีใครสามารถช่วยเราได้ แต่เรากระทำที่ผู้ดีช่วยตัว เ, เองเมื่อเวลาเราเคร่งเครียดเวลาเราเป็นทุกเนี่ย เ, เรามีวิธีการจัดการกับตัว เ, เองนะเราลองหายใจเข้าลึกๆสักครันงไว้หลึ่งแล้วก็หายใจออกยาวๆสักสองสามครั้ง เมื่อเวลาเกิดความเครียดมันจิตเวลเราเกิดความกรอไม่รู้จะคิดอะไรใจเราไม่้จะคิดอะไรพูดนวายับสนจับหลังไปได้เกิดความโกรธเกิดความเครียดนึกอะไรไมออกเราลองมาหายใจเข้ารึก เราก็หาย 6, 3, ใ้ในจะหายใจออกยาสักสองสามครั้งออกซิเจนจเลี่ยงสมองเราจะรู้สึกสดชื่นอาการปวดก็มีอาการเครียดก็มีจิตที่นึกอะไรไม่ออกเราก็จะถ่อนคลาแล้วก็นึกอะไรได้ดีมานอ น, นี้เรื่อองมหายใจมันช่วยเรานะ นี่เรือของสายตาความเครียดความตุ้ความวุน่นว า, วา ย, ายาที่เกิดจากสายตาเราเรพ่งจนเกินไปเรามองนนจุดใดจุดหนึ่งเงเกิดความเทียนและวิธีการแก้ปัญหาเรื่ อ, ยอยงแบบนี้เราต้องเปลี่ยนระดับสายตามองไกลๆมองใหุ้กสายตาเรา จะรู้สึกสบายขึ้นเพราะว่าเราส่งความรู้สึกเอาความสึกเค่เครียดออกไปข้างนส่งไปข้างนอ ก, อนอกแล้วก็มองให้นก่ๆเราะจะรู้สึกดีนั่นงปฏิบัตัเอสังเกตดูนะเวลานั่งด้วยซ้ายาวบตานี่ยมองตาแมันเครียดหน้ากีจ๋จงเพราะสายตาเนี่ยเราเต็มไปด้วยอะไรบางแข็งเกิดขึ้นเราไม่ใเราไม่แข็ ไม่เข้มแข็ก็ยิ่ขกว่า้นพยายามลำไสตามองให้ไกลๆมองทางซ้าย้างขวาเดี๋ยวเพ่งจเกิดตาสายตาที่เพ่งเงินตาเนี่ให้ใจเราเป็นเพ่งๆยกลำไส้ตาแล้วก็ยกโดยส้่งอย่าแล้วก็เดินตรงๆเราจรู้สึกดี้สายตาเนี่ยมันบอกความหมายของจิตใจใจเราเป็นยังไงเราบอกทางสายตา แต่ก็สองครั้งมากทีนี้เวลาที่เราปฏิบัติทำเป็นเดิจบปงสั้างจังหวหรือการทางานอะไรก็ด้ถ้าเราเปิดความวุ่นถ้ารู้สึกวุ่นขึ้นมาถ้าเราฟองไกลๆแล้วก็หายใจเข้าึกๆหายใจออกยาวสักสองสเราจะรู้สึกหายวุ่นไป จะต้องทาตาโตๆเลยนะจะทําตาดีเวลาติดใจคิดฟุ้งซ่านก็เหมือนกันนะอาจารย์คิดพุ้งซ่านเวลาปฏิบัติแล้วมันคิดมากฟุ้ง้ากทีแกปัญหาเพรนอย่างนี้แหละมองไกลๆหยัดคิดอะไรไม่ต้องใช้ความคิดเลยตั้งใจมองไกลๆแล้วก็หายใจเข้าลึกๆออกเดียวยาสองสามพระเนี่ยความคิดไม่กระจายแล้วเราก็มานจะลงพอง เรยกปุ่สร้างหวต่อเพรเองก็ไปไหนไม่ได้เวลาปฏิบัติก็นอนกางหนึ่งเดืทีเรามีอาการมืนอยเมีความเครียดผมก็ใช้วิธีนี้ไม่ได้รู้เป็นอะไผมมองไกลแล้วระใชการหายใจช่วยไม่รู้เป็นอะไรใช้กับตัวเองไนดะ้คนอื่นก็น่าจะใช้ได้ด่วยนะลงหายใจมันบอกถึงความรูของเราเลย น, นะ เรืลงลมหใจเ ว, วลาเราโกรธเวลาเราเครียดเราเคยสังเกตไหมว่าเราหายใจ ย, ยังไงเราจะหายใจยสั้นแล้วก็เร็วมากมันจะเกิดการเหนื่อ ย, ม เ, ยมเมื่อเวลาเรากรธหน้าก็แดงหูก็แดงตาก็แดงมันเกิดจากการเ ค, เคมมเรียดๆไปเวลาเราง่วงนอนหัวใจจะเต้ช้ามากเคยสังเกตไหม แล้วมันจะรู้สึกว่าซึมซึมซึมซึม <Yeah. S 1> มันจะรู้สึกที่มันมีอะไรครอบคลุ่มกลุ่มหัวเราดำๆถ้าตังนั่นๆหน่ mm hmm. อยเห็นสังเกตไหมมันซึมซึหั mm hmm. วจใจมันเต้นช้าช้า mm hmm. แล้วก็หน้ามันจะเย็นมีอะไรที่เป็นก้อนดำๆนะ mm hmm. มันมาวาวว่าตรหัว ทนีนี้เวลาเราทําความรู้สึกตัวถ้ามีความห่วงถ้ามันเกิดความห่วงขึ้นมาเนี่ยอย่าเพิ่ทงทำตามให้รู้ทันความวงแล้วเราสังเกตดูซิว่าเวลาเกิดความห่วงขึ้นมาเนเรารู้สึกอย่างไงใจเราเป็นอย่างไรความรู้สึกของเราเป็นอย่างไรต้องไปสังเกตดูอาศัยสติ สังเกตดูตัวเราอย่ามุ่งหี้ไปนอนอย่ามุ่งนี้ไปหลับเราสังเกตดูสักหน่อยว่ามันเป็นอย่างไงการวิ่งี่นี่นะเรามีโอกาสได้ทำอย่างนี้นะการ ม, มาทำความตุกตัวเนี่ยมาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เพื่อมาดูตัวเรามารู้เรื่องตัวเรารู้เรื่องของตายรู้เรื่องของใจเรามาเพื่อตรงนี้เรื่องเครื่องรอกระวางัง ให้มารู้เรื่องตัวเรามากอาการของกายเป็นยังไงความสิ่งของเราเป็นยังไงให้สังเกตดูเราจะเกิดสติเป็นปัญญาเข้าใจตัวเรามากขึ้นผู้ถึงเรื่องความเครียดความเครียดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้สองด้านที่ทางกายเครียดทางกายกับความเครียดทางดานจิตใจเนี่ยเครียดทางกายก็คือความเหน็ดเหนื่อ ความเหนื่อยอ่อนเพลียหรืออาการของโรคไทฟอยด์ความเมื่อยความป่วยไข้การพักผ่อนไม่เพียงพออย่างนี้มันเกิดการเรื่อากายเรื่องของร่างกายเราต้องช่วยตัวเองเม่มันเกิดนะเราก็ัมันก็หายเวลาป่วยไข้เราก็ไปหาหมอ หรือทานยาหรือบีบปั๊บนวดเฟนเป็นตัวอะไรมันก็จะหเรื่องของร่างกายเนี่ยเราช่วยตัวเราได้เวลามันอ้วนเวลามันเลียบเราต้องการพักผ่อนเราก็พักผ่อนเี่ยเรื่องของดันก็จะเป็นอย่างนี้แหละจะช่วยมันได้แต่การช่วยมันเนี่ยช่วยได้สุด้วยเหมือนยาใจเราไม่ต้องมันทุ่ก็ได้ช่วยเหงื่อการความเครียดจะได้ดีดัน เมื่อจากความคิดของเราเองใจมันคิดแล้วเกิดความเครียดความคิดเนี่ยมันผ่านมาสู่จิตใจเราช่วงไหนเ่งนนะเราผานมาทาานจิตใจปัจจเเมื่อความคิดมันผ่านไปใจมันก็ไม่คิดจะเป็นปกติเหมือนเดิมัเกตไหม เวลาเราคิดขึ้นมาเช่นความคิดที่ไม่ดีความคิดที่ไม่ดีเนี่ยคิดมาาองว่าวันแง่ล้าคิดไม่พอใจคนอื่งมองคนในแง่ร้ายเร า, า, า, ร า, าจะสังเกตว่าไอ้ความคิดประเภทไมีอย่างนี้บันดาให้ใจเราเนี่ยมันมีนั้นแหล <c ười> ะได้เคยสังเกตไหมความคิดที่เรามาองคนในแง่ดีมองชีมาาองว่ า, า, าอะไรแง่ดคิดจะช่วยเหลือคนอื่น คิดเมตตาอยากให้คนอื่น้มีความสุขจิตที่คิดแบบเนี้ยจิตมันจะเบาว่าทีมันจะดีดดีดขึ้นเคยสังเกตตรงนี้บ้างไหมเราไม่ต้องแก้ไขความคิดแคนี้หรอกจะคิดดีกันตามไม่ดีกันไม่ดีกัตามอย่าไปแก้ค่ะให้มีสติอรู้ธรรมแค่มีสติอรู้ธรรมสิ่งนี้มันก็จะผ่านไปจิดเราก็จะกลายเป็นจิตที่เป็นปกติอันเลยแค่รู้ธรรม ไม่ต้องแก้ครรู้แล้วกว่าทั้งความคิดดีและไม่ดีเนี่ยรู้แล้วก่อนต้องทำไม่ต้องไปแก้แล้วจิตมันก็จะดีขึ้นเองเนียที่เรามาปฏิบัติธรรมเราไม่ได้แก้ไขเรื่องของจิตใจเราไต้องแก้ไขอะไรเลยแต่ที่เราควรแก้ไขคือความคิดของเราความคิดของเรา มันทำให้เกิดปัญหาชีวิตเรือเ่องกจิจใจอะไรอยู่แล้วมันม่องประปยชนแต่ที่ควรจะปึกก็คือฝึกน้สัยฝึกนิสัยของเราซึ่งมันทำให้จิตเนี่ยมันมัวหมองเพราะเราขาดสติเพื่อที่รักษาจิตให้เป็นปกติเอาไว้เวลามีความคิดดีก็ตามไม่ดีก็ตามผ่านเข้ามาในใจเราขาดสติ เราเป็นเชื่อความคิดเราเป็นทางตามความคิดเราทีงเกิดปัญหาทีรู้จักเลยว่าธรรมชาติของจินีตมันเป็นปกติอยู่ก่อนมันดีอยู่ก่อนมันหอมสายอยู่ก่อนแล้วเรื่องของจิแต่ที่จิตนี่หัวหมอกเพราะว่ามีไอ้ความคิดที่เป็นความพอใจไม่พอใจมันผ่านมาและเราไม่ปล่อยความให้ปัญหา ความคิดได้าัจิตเนี่ยมัน ง, วงัวหมถ้าเราปล่อยความคิดมันผ่านไปแค่รู้มันจิตมันก็จะเป็นปกติเหมเดิมแต่ที่จริงเนี่ยจิตมันไม่ได้งัวหมองตามความคิดหรอกจิตมันก็คือจิตความคิดทีคือความคิดมันเป็นปนะัญหาไอ้ตัวที่ทาให้เกิดปัญหาที่มันมาแล้วก็ไปเนี่ยคือเรื่องของความคิดนะจิตมันก็เป็นปกติเหมือนเดิม มันมันมีส่วนอสิ่งสองสิ่มารวมกันแต่ว่ามไม่ใช่สิ่งเดียวกันจิตมันคือสิ่งที่มาปรากฏอ่าจิง่งคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วความคิดคือสิ่งที่เกิดขึ้นมาทีหลังเพราะฉนั้นมันก็ไม่ใช่เดียวกันเราสังเกตดูไม่ใช่แบเราสะละเนี่ยมันว่ า, วาสงสลระไม่มีเราเลยเราอ่าหา เพราะเราเห็ที่เข้ามานั้นเป็นเราสาระเขาก็คือสาระเราเาก็คือเรามันจะนสมกันเราเรานตัวที่เปลี่ยนแปลงเรามาให้เราเข้าใแต่สาธาอย่างนี้ก็ยังเป็นสาระเหมือนเดิมงงไหมเรารู้สึกงงรึเปล่างงก็มีสติรู้ว่ามองอะไรได้ ความวงคือสิ่งที่จอนมาสติรู้เนี่ยมันเป็นที่ที่ไม่ไม่ได้เป็นความวงด้วยเป็นแค่รับรู้ในความงงเห็นะเราจับชีวิตเราได้ไหมชีวิตอย่ที่ผิดจนล้วนส่วนในสิ่งที่แปลงรองมาน่ะอันนั้นคือส่วนเกินไปเข้ากลัมาแล้วต้องมาปัญหาคือความคิดขเราเองที่มันทำร้ายตัวเราให้เราต้องเป็นทุกข์เพืที่จะทําร้ายใจเราเลยนอกจากความคิดของเราเอง แต่ยกตัวหย่ากันชั้ๆสมมุติว่ามีมีคนสองคนเดินมานะคนสอคนเดินมาแล้วมีธงปักอยู่มีธงปักธงเนี่ยเขาปักเอาไว้เพื่อจะเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเมื่แต่คนสองคนเดินมามันเริ่มมีปัญหา โพกปากอยู่นี่ปัญหาแต่คนบางคนเนี่ยเริมเริกคิดแนละ้วมันเริกมัญหาเพราะความคิดขระเองคนหนึ่งถามว่าทำไมลงโพกมันยิงไหวที่คนนึงบอกว่าอ๋อทพกไหวเพราะมันมีลงคนบอกไม่ใช่โพไหวเพราะมันมีโพกมันก็ทนะเลาะกัน ที่คนบอกมันต้องมีลมงพงมานตึงไว้ทุกคนบอกมันมีพงอาหาะพงมันถึงหว้ทะเลาะกันเอาเหตืเอาผลเอาถูกเอาผิดทาให้ต้องพูดเนี่ยต้องเป็นพูดเป็นการ้องพู่เลยแล้วทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคงไม่รู้อะไรลเยไยกกลยเพงเป็นพยานกาลเป็นความจริง แต่คนปะหาที่มันทะเลาะกันเพราะความคิดทิฏฐิมานะของตัวเองเใชไ่ไหมที่จริงงานเนี่ยจะสรุปลงได้ดีกว่ามันจะมีทงหรือจะมีลงก็าตามไม่สําคัญหรอกสวัสวนที่ว่าคนสองคนเนี่ยให้ตาหน้าผีให้รักการเข้าไว้อันนี้ถูกต้องอ่าทงจะไหวหรือไม่ไหวไม่สำคัญเท่ากับใจคนเนี่ยเข้าใจกนะัน ร่างการสามพิจารณนต้งถุนต้องหานไอ้วานที่มีที่ถิ่นมาด่าใส่กันเพราะเอาเหตุเอาผลเอาถูกเอาผิดจนเกินไปมันจึงให้คนกับค น, นต้องค้อกันเพราะว่าที่ถิ่นมาด่านคงไม่เกี่ยวข้องเลยแต่ใจคนทหาที่วุ่นวาย เ, าเนี่ยก็เนี่ยไปเมื่ออนจะมาที่นี่คุณลิทถงเนี่ย พาไปที่วัดปัจฉิวที่ท่านเวลางบวนยิ่งชอบสโลกธรรมที่บอกว่าธงมันไหวหรือใจคนมันทงไหวหรือใจไหวเนี่ยเป็นสโลกธําของท่านเวรลังคนที่ยึดมั่นหรือมั่นในธูในมิมากเกินไปยึดมั่นหรือมั่นในเหตุผลมากเกินไปมันจะมีตัวตงสูงมากจิตใจจะแตกกันมาก อั ต, าโ ต, โตโราตัวตนจะมากพรเราไปยึดมั่นถึงมันในความถูกความความถูกความผิดวา่วาเรื่องเหตุและผลก็ดีดีแล้วแต่บางครั้งต้องรี้จักปล่วางอย่าไปยึดติดจนเกินไปเพราะคนที่มีผลดีมีแต่คนมีตัวเมย์ที่ถูกต้องถูกต้องเนี่ยมันให้ใจเราเป็นทุกข์ยัง น, นั้นนให้คุมค่าบาต้องยืดกินจะบ้างใจเราจะสบายสบา จิมดที่เจะรู้ทำได้มันต้องมี็จิตที่อ่อนโยนไม่มีทิจิตมานะ้าตัวตนต้องลด อ, งอยลงต้องจับอ่อนน้อมต้องอ่อนโยนมจะปล่อยวางไม่ยึดมั่นในอะไรเลยนี่นะีแต จ, จะปล่อยวางจิจะออนโยนมีโอกาสจะรู้ทำได้ถ้าิตที่แข็ขงกร้าวมีแตจิมาน้เนี่ยนีแต่ความคิด ม, มากนอ่นตัวตัวเนี่ย ไม่มีวันที่จะบรรลุทำได้เลยการที่เรามางชิงเราเห็นว่ามีการกล่าวไร้หนะครับมีการยกเลวว่ามีการกล่าวเป็นการผลให้เราเนี่ยออน้อมถ่อมตนไม่ให้ที่แข็งกระด้างการพค้งลงกราบแต่ละครั้งถ้าเราเป็นมมันหมายถึงที่จะเป็นอ่อน้องถ่อมตนเป็นการลดละตัวตนของเราให้น้อยลงหน่อย เราจะมีโอกาสที่จะเห็นธรรมะได้มันช่วยท้านเราสติการที่เราปิดวาจาแม่รูเพื่อป้องกันให้ใจเราเนี่แม่มันคิดพุ้งร้างถ้าเราพูดมากพูดมากใจเราก็พุ้งร้างพอใจพุ้งซ่างแล้วสติมันไม่ค่ยเกิดเราจึงมีการปิดวาจาอย่าพูด เพื่อต้องการจะช่วยตัวเองช่วยใจเราแม่คิดผูมสร้างสติจะได้เกิดบ่อยเห็นไมบางคนให้ไม่พูดเป็นวาจามันเครียดตรงไหนมันตึงอัดเพือนรู้สึกว่ามันตึงอัดเพื่อนที้เราเราเคยพูดมางมาอย่างีพูดเล่นน้อยอัดไอความงัตมันดีสำหรัเราเราจะได้สติรู้จัดใจเราใจเรา มันเป็นอย่างนี้เองเรามรรทัดบรรชากันได้มันจึมีความรู้ให้มีสติรู้ทันเราได้ปฏิบัติธรรนะบางคนอยากพูดกราวมาพูดกับผมผมก็ฝังมือเรื่องๆแต่ขอให้ได้พูดเท่าไหร่ไอ้คนฟังคำเรื่อยๆไม่เป็นไรนะแต่ขอให้ได้พูดมันพูดประหลาดังเราฝังเรื่องแต่เขาต้องาพูดเพื่อต้องการคลายความเครียดขันถ้าพูดไม่ได้ก็พอแล้ว แค่ยิย้นมก็คายเคียดไปเยอะแล้วใช่ไหมเพื่อเราจะมั่นจะรอเวลารอเวลาสับตขึ้นเพื่อจะถามการถามปัญหาเนี่ยมันได้พูดได้พูดบางคนถามหามพูดจนบางไม่ทัน <c oughs> นั่หละ <c oughs> เพราะความอยากพูดอยากแสดงความคิอยากอะยรก ม, <c oughs> มันถึงระเบิดออกมาในระหว่างที่ถามพูดมาหยุดเลยก็มีนะ บางทีก็ไม่ตสใจนะตัวอยาพูดขอถามเสมอไม่เป็นไรหรอถามได้ถ้าสงสัรเราลองเก็บความข้าใจไปก่อนเราอย่าไปถามสิเอาไปฏิบ้า ง, ง, งไปก่อนบาง ท, มาทีมันอาจจะได้คำตอบผม ไ, มไดปดีบ้าม่บ้างไม่เลยปวด น, นอนกระเสีไม่มีครูบาตาาหรือพ่อคำเขียน ด้วยตา ต, ตัมันอยู่กราเหนนะ็นกับผมหางไกลกันมเพราะไม่นะมีอมสมสุบาร์ขณะเป็นแบบมันก็เกิดความสงสัยมันสงสัยมากอยากจะถามแต่เหมือนจะไปถาใครแต่ผมเก็บนะนะนะคมามาวามสงสัยไว้ก่อนผมจะระสติตไปฝึกไปนานๆเก็บความสงสัยไว้ก่อนเพอสติมันเกิดขึ้นมากมารูถามอ๋อไอ้ความสงสัยก็คือความคิด ความสงสัยความคิดพอรู้ทันความคิดบ้างความคิดกระดาษความสงสัยมันก็ลอยขึ้นไปด้วยอ่ามันได้คำตอบที่รู้ทันในความคิดสงสัยมันจบลงตรงนั้นเลยเลยไม่สงสัยต่อไปเรารู้ด้วยตัวเราเองดีกว่าการที่รู้จากที่อื่นบอกเรารู้ด้วยตัวเราเองเนี่มันจะมีความมั่นใจมันจะดีกว่ารรการที่ เราความรู้จากผู้อื่นของเรานะแต่จะส ง, <อ>งสังยถามได้นะไม่ไแดบบ้หรอกคำถามขามองกเราทุกคนเนี่ยบางคนเนี่ยมีประโยชน์กับคนอื่นมากมีประโยชน์กับผูอ้อื่และมีประโยชน์กับตัวของเองกับท่านโน้ตกับคุณผู้ชมคำถามท่านนัดมีประโยชน์เพราะสิ่งเนี้ยมันสมามารถช่วยที่จะทําให้เราได้เรียนรู้ละไรหลายอย่างถามได้นะเหมือนคุณหมอเหมือนคุณหมอเนี่ย จะลัะกษาโรคได้เก่งนั้นต้องมีคนไข้ยเยอะๆถ้าคนไข้ามากๆนี่คุณหมอเนี่ยจะเกงจะชำมาญเพราะฉะนั้นคนไข้ที่ไปหาหมอเนี่ยหมอก็ได้ไประโยชน์นอกจากจะได้เงินแล้วจะได้เรียนรู้ได้ของดีกว่าการรักษาเอง แคอย่างท่านนรสก็ดีผมก็ดีคุณลิศผมก็ดีคือกระะัรยนต์ตรงนี้แตเปียนเสมอคุณหมอเราเป็นคนาาไน้สมมตินนะเราเป็นคนไข้เราสามารถที่ช่วยกันได้เราช่วยช่วยต่อคําถามช่วยเป็นตัวอย่างให้ดูแต่ถ้าคนหนักคนไข้คนไหนดูท่าจะไม่ไหวคุณหมอให้ช่วยส่งกลับบ้าน หรือถ้ามีอาการหนักาเกินไปทำถ่าจะเอาไม่อยู่เนี่ยก็จะส่งโรงพยาบาลโรคหินนะคุณหมอจะช่วยส่งให้พอจะหายเรียบไหมหรือจะเครียดมากีขึ้นเอานะวันนี้เอาเพียงแค่นี้แหละพอสมควรเจเวลาแล้วก็ขออวยความทุกขท่างเนี่ยตรงจิตวิญญางมีความสุขแล้วก็กลั บ, บมาพบกันใหม่